เทศนาแผนที่81ตั บ, บที่11โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่20มิถุนายน2558มีชื่อเรื่องว่าปลาปากเหม็น เอาต่อไปตั้งใจฟังน้าลูกหลานคณะทัฐาญาติโยมอย่าถ่ายรูปนะจะถ่ายรูปที่มีแฝดจะไปถ่ายรูปที่มีแฟตแล้วก็จะไปคุยกันตั้งใจฟังหลวงพ่อของพูดไปนานเมื่อหลวงพ่อพูดจบลงไปแล้วน่ก็จะมีจัดการเจริญพระพุทธมนตรพระสงฆ์ที่มาพร้อมเนี่ยจะเจริญพระพุทธมนตรท่านให้โอกาสหลวงพ่อนะเมื่อไหว้พระทำวัดเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลวงพ่อก็ได้ขึ้นมาสู่ธรร ม, มาภเพื่อเป็นองค์แสดงธรรมคงจะไม่พูดคงอทำไม่เป็นถ้าคงไม่ถ้าไม่เป็นลูกติดพันนะถ้าลูกติดพันก็คงจะยาวสักหน่อยนะลูกหลานนานที่ปีหนวันเกิดของห ล, ลวงพ่อสดก็มีวันเดียวเท่านี้แหละพวกเรามาเสียสละทุกคนแนละทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายครวาตเสียสละมาในงานศพของหลวงพ่อหลวงพ่อคําสดของพวกเรา วันนั้นหลวงพ่อเองก็เสียสละเหมือนกันได้มาสู่ธรรมะได้มาพูดได้มาเป็นองค์แสดงธรรมให้กับพ่น้องประชาชนจัดทายาติโยมลูกหลานได้ฟัง เ, เพราะหลวงพ่อสดปีนี้นะพระครูบริหารสมาธิคุณหลวงพ่อคำสดนรุโนแล้วก็อายุของท่าน 68ปี47พันษาไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะลูกหลานนะบวชมา47ปีเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพวกเราได้มาร่วมงานของท่านมาแสดงมุทิตาสักการะในหลวงพ่อของพวกเรานะแล้วก็หลวงพ่อจะเป็นผู้กล่าวสมมมบทนิยกถาในงานวันเกิดของหลวงพ่อคำสด บางทีอาจจะโพูในแนวให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแต่การพูดและการแสดงธรรมหลวงพ่อบอกได้เลยว่าไม่ได้กระทบกระเทียบลูไม่ได้แสดงเรื่องอะไรจะเป็นเรื่องของกลางถึงจะยกขึ้นมาก็เป็นแนวแถวของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มาในตำรับตำราี่มาในพระไตรปิฎก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 ในการได้ยินได้ฟังสุดตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังถ้าหาว่าพเราไม่ได้ยินได้ฟังเกิดมาแล้วจะเป็นผู้เฉลียวฉลาดเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องอาศัยการเรียนรู้การศึกษาพระท่านจึงว่าสุดตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้น มีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนนี่ได้ยินได้ฟังนะถูกต้องไหมหรือว่าผิดอันนี้เราก็ต้องมากันกลองไตรตองอีกที่หนึ่งดวจินตามะยะปัญญาภาวนามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วเราก็นำความสงบ จ, จ, จิตใจที่ผ่านความสงบนั้นมาพิจารณาการกลองไตรตองเหตุและผลอีกตัดสินใจได้ อันนี้เราว่าภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาของพระพุทธศาสนาเรื่องภาวนามยปัญญาเข้าทำนองที่ว่าสมถตคือทําจิตใจให้สงบซะกอ่อนเมื่อจิตใจสงบแล้วก็นาจิตใจที่ผ่านความสงบนั้นมาพิจารณาด้วยเหตุและผลอันนี้เราว่าวิปัสสนาเนี่ยอันนี้ว่าภาวนามยปัญญาจุดนี้เข้าข่ายจุดที่ว่าจิตต้องผ่านความสงบซะกอ่อนเพราะนั้นวันนี้ เป็นวันฟังธรรมของพวกเราวันหนึ่งหลวงพ่อจะเป็นองค์แสดงธรรมให้กับคณะสัายาธิโยมทั้งหลายได้ฟังขอให้พวกเราตั้ง อ, อกตั้งใจฟังแล้วก็จะเกิดประโยชน์สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายนะโมตัสสะปะโคะโตอะร ะ, ะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 ทรงปาเดธาตีติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งพวกเราได้ปารับงานหรือว่างานครอบรอบหลวงพ่อคำสดอรุณโนหรือว่าชื่อในตำแหน่งพระครูของท่านว่าพระครูบริหารสมาธิคุณอายุห8สบดปี พันษา4 7่สิบเพันาที่ท่านบวชเข้ามาและก็ท่านมาอยู่ที่วัดป่าบ้านเพิ่มถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดนะท่านมาอยู่ปี2531ตั้งแต่31ท่านจำพันษาที่นี่มาโดยตลอดทำไมหลวงพ่อจึงจำได้เพราะหลวงพ่อมาจำพันษาพอเสร็จศาลาที่นาคำน้อยปี30ิ หลวงพ่อมาจำพรรษาที่นี่ปี30นะอพอจำพรรษาเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อก็กลับไปวัดนาคำน้อยอบอกกับว่าโอ้สด ท, ที่บ้านเพิ่มน่าจะไปปรีกวิเวกดีนะดัง น, นั้นพระอาจารย์คำสดก็เลยมาอยู่ที่นี่่ก็ได้ช่วยกันมาสร้างมาทำรัว้วมาทำถทังน้ำมาทางระบบน้ำขึ้นมาตั้งแต่คราวนั้นมาถึงบัดนี้เพราะนั้นวัดป่าบ้านเพิ่มเป็นสถานที่เหมาะ แก่การภาวนาเป็นที่สถานที่สงบสงัดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราได้มาร่วมมารวมกันที่วัดหลวงพ่อคำสดแห่งนี้พวกเราได้มาแสดงซึ่งมุทิตาสักการะาที่ท่านอายุ60กว่าพันศาพันศา40กว่าพันศ า, าก็นับว่าเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ ท่านหนึ่งที่พวกเราให้ความครบนับถือเลื่อมใสเพราะนั้นวันนี้เห็นพระสงฆ์เข้ามาร่วมงานและเห็นพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่านั่งเต็มไปหมดตลอดถึงโรงทานต่างๆมาจากจารตุรทิศหลวงพ่อเห็นแล้วก็ปลื้มใจกับพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมที่ใฝ่ในการบุญค่านการกุศลถึงยังไงก็าตาม หลวงพ่อในฐานะที่พระสงฆ์ที่บวชมานานอีกองหนึ่งเหมือนกันที่ว่ามีอายุพรรษาที่มานั่งเป็นประธานสงฆ์ในวันนี้หลวงพ่อเองก็อยากจะย้าเตือนกล่าวเตือนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าพุทธบริษัทสีของพระพุทธเจ้าคำว่าพุทธบริษัทก็คือเป็นบริษัท เราได้ยินแต่บริษัท ต, ต่างๆในประเทศไทยบริษัทจำกัดบ้างมหาชนบ้าง อ, อ, อันนี้ก็เป็นพุทธบริษัทคือพวกเราได้น้อมได้รำลึกหรื่านับถือเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราจึงได้มาร่วมมารวมกันเข้ามาเป็นบริษัทนี้ลงทุนในบริษัทนี้เรียว่าเป็นพุทธบริษัท พุทธบริษัทมีอยู่4ท่านคือภิกษุสัมมาเนนตก่อนเป็นภิกษุนีภิกษุภิกษุณีแต่สัภิกษุณีหมดไปท่านก็เลยนับภิกษุเอาสั ม, มนเนนเข้ามาภิกษุสัมมนเณนจากนั้นก็อุบาสกยงผู้ชายอุบาสิกาก็คือยงผู้หญิงนี่แหละเป็นพุทธบริษัท4เพราะนั้นพวกเราพุทธบริษัท4จะอยู่ด้วยกันจะรักษาพระพุทธศาสนา จะรักษาบริษัทของเราให้เจริญรุ่งเรืองไปได้ก็ต้องอาศัยบริษัทพุทธบริษัท4เพราะพระองค์ตรัสเคยตรัสพระองค์ตรัสเป็นพุทธพระดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไปว่ า, าศาสนาของเราตถ า, าคตจะเจริญหรือเสื่อมอยู่ในพุทธบริษัท4ถ้าว่าผู้ทําลายาศาสนาก็คือพุทธบริบรษัทสนี่แหละ ถ้าจะทำให้าศาสนาของเราจเจริญรุ่งเรืองก็คือพุทธบริษัทสี่นี่แหละเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้มองตัวเองทีนี่เพราะไม่ว่าจ ะ, จะอยู่ในสถานะไหนเราจะอยู่ในสถานะพระหรือจะสถานะศรัทธาญาติโยมเราเป็นผู้อยู่ในบริษัทนี้เราทำตนอย่างไรสำหรับคารวาสก็ให้ ยึดพระไตรสารณคมเป็นเบื้องต้นยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งอันนี้คือพุทธบริษัท ต, ต่อมาก็ให้มีศีลห้า เ, เป็นเป็นที่รองรับคนที่มีศีลห้า เ, เป็นแปลว่าไม่ติดคุกไม่เข้าคุกไม่เข้าตารางแล้วก็พระพุทธองค์ในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ว่า ผู้ที่มีศีลห้าปิดอบายพภูมิไม่ตกนรกมีแต่ไปสู่สวรรค์เท่านั้นอันนี้ก็คือในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็คือส่วนพระสงฆ์ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาท่านก่อนแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้เป็นผู้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมให้มีฮิริอดตะปะให้มีศีราจารวัตให้เป็นผู้ อย่าไปทําตนให้เป็นอารัชชิตาคือทําตนไม่ดีเป็นพระอรัชชีคือไม่มีอย่างอายไม่มีฮิเลอตตะปะ น, นั่นแปลว่าพระอารัชชีไม่ดีอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านสอนว่าให้เป็นสากยบุตรพุทธชินนรสสากยบุตรของพระพุทธเจ้าก็คือให้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัย พระพุทธเจ้าตรัสไว้ยังไงสอนไว้ยังไงในหลักพรฒนวินัยสิน227ก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายภิกษุสั ม, มนเนนให้ศึกษาในสินและวิ น, นัยสำหรับฆราวา์ญาโจมก็ให้ศึกษาในกฎระเบียบคือสินห้าและสินอุโบสถสินสำหรับพระสงฆ์ก็ให้รักษาให้ดูสั ม, มนเนนก็รักษาสินสิบภิกษุทั้งหลายก็ให้รักษาศิน227 อันนี้ก็คืออันนี้คือเบื้องต้นแต่สำหรับฆรวาิญาติยาโยมมากไปกว่านั้นท่านให้เป็นผู้ เ, เพราะทรมาหาเลี้ยงชีพท่านก็ให้เป็นผู้แสดงตนแล้วเป็นผู้ยินดีในการทำทานให้มีทานให้มีศีลแล้วก็ให้มีภาวนาแต่สำหรับพระสงฆ์ท่านให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญาเออ่ีว่าวพระสงฆ์ท่านไม่ได้สอนให้ทานนะ แต่แต่แวนแต่ว่าเมื่อเราอยู่ด้วยกันก็ต้องมีการเสียสละ น, นั้นเป็นธรรมดาการอยู่ด้วยกันต้องมีการเสียสละแต่สำหรับฆราวาดญาติโยมแล้วท่านสอนให้ทานรักษาศีลภาวนาแต่สำหรับพระสงฆ์ให้มีศีลสมาธิปัญญาเพราะนั้นถ้าจะเราจะมองมองดูดูแล้วพระสงฆ์กั บ, อ, บกอุบาสิกาเนี่ยมีความ มันต่างกันอยู่คือสําหรับฆราวาสญาติโยมเป็นผู้ทำมาหาเลี้ยงชีพทำมาค้าขายเมื่อได้มาแล้วก็ เ, เ, เลี้ยงทำบุญทำทานตักบาตรพระสงฆ์แล้วก็เลี้ยงดูพ่อแม่ปู่ย่าตายา ย, ายหรือว่าดูแลประเทศชาติบ้านเมืองสงเคราะห์อนุเคราะห์ชุมชนสังคมอันนี้ก็คือสําหรับฆราวาสญาติโยม แต่สําหรับพระสงฆ์แล้วท่านให้อยู่ในศีลอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญาหาทางพ้นทุกข์เพราะอยู่เข้ามาวงในคือพระสงฆ์เพราะนั้นเรื่องพระสงฆ์พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสได้แสดงเอาไว้ว่าพระสงฆ์ทั้งหลายคือผู้มาอยู่วงในเนี่ยต้องเป็นผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบให้อยู่ในหลักพระธรรมวิ น, นัยเพราะเหตุไรเพราะว่าเราเลี้ยงชีวิต เนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทําตนให้เขาเลี้ยงง่ายอันนี้ก็คือพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไวา้การทำที่วินัยที่ว่าภิกษุควรพิจารณาหนึ่งๆสิบอย่างนะาในข้อหนึ่งใน10บข้อนั้นภนะิกษุให้พิจารณาหนึ่งๆว่าเราเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทําตนให้เขาเลี้ยงง่ายาคล้ายๆกับว่า เมื่อเข้ามาบวชแล้วให้อยู่ในหลักพธธระัรมวิไนทำคําสอนของพระพุทธเจ้าออให้อยู่ในศีลและวิไนถ้าเราอยู่ในศีลและวินัยแล้วเราอยู่ในสถานที่ใดก็ร่มเย็นเป็นสุขนะคณะสัตยญาติโยมพระเนนลูกหลานน้องนอง่นงทั้งหลายถ้าเราออกนอกลูก่นอกทางแล้วเป็นที่ตำตำําหนิติฉินดินทางของขนทางหลายเพราะพระในครั้งพระพุทธเจ้าของเรา ก็ไม่ใช่เอาพระรหันต์มาบวชแต่คณะสัทธายาจมบางหมู่บางกลุ่มบางคณะอก็หัวฟัดหัวเวียงดูถูกพระสงฆ์ก็เหมือนกับตัวเองไม่เคยทําความชั่วเสียหายอะไรเลยเหมือนตัวเองบริสุทธิ์ผุดผ่องตั้งแต่เกิดมาไม่คิดไม่คิดชั่วไม่ทําชั่วไม่พูดชั่วเฉยเอแต่คนอื่นทําชั่วตัวเองโกรธให้เขาหัวฟัดหัวเวียงกาพระอย่งังกาพร ะ, ะไม่ลงอย่างนี้กาพระไม่ลงอย่างนี้ แต่ตัวเองมันดีอะไรบ้างกินเล่าหัวฟัดหัวเวียง เ, เล่นการพนงพนันอะไรความชั่วเสียหายมากมายหลายอย่างทําไมไม่มองดูตนเองสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พุทธบริษัทมองดูตนเองทุกคนพระก็ให้มองดูพระโยมก็ให้มองดูโยมหลวงพ่อเองหลวงพ่ออินเองก็ให้หลวงพ่ออินก็มองดูดูตนเองเหมือนกันที่พูดทางนี้ทางนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายให้มองตนเอง อย่าไปมองแต่คนอื่นอมองแต่เขาอีเหนาเป็นเองอย่างหลวงปู่ฟั่นที่ท่านพูดน่ะชี้นิ้วไปทางอื่นว่าคนนั้นชั่วคนนั้นชั่วแต่นิ้วกับมาหาตัวเองดูซิเรากำกำปั้นดูซิกำกระปั้นชี้นิ้วไปนิ้วชี้นิ้วไปทางอื่นนิ้วหนึ่งน่ะอแต่ว่าอนิ้วมันมาโผล่ก็มาหาตัวเองทั้งสามนิ้วนะอแล้วตัวเองนะชั่วกับเขาทั้งสามครั้งนะเพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้คู่บ่ายจารย์ท่านเก่าๆแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราถึงยังไงก็เถอะนะให้พวกเรามองตอนเองถึงเขาจะบอกว่าเราไม่ดีแต่เราก็มองตัวเองไม่ดีที่ตรงไหนเรามีสวนที่จะแก้ไขปรับปรุงได้ไหมสิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกเรามองนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อต่างๆในประเทศไทยไม่เว้นแต่ละวันพระสงฆ์ทําสิ่งที่มันไม่ดีไม่ถูกต้อง หลวงพ่อเองได้เห็นได้รู้ได้ศึกษาได้ฟังศรัทธาญาติโยมมาเล่ามาบอกกล่าวให้ฟังหลวงพ่อเองก็ไม่สบายใจอีกเหมือนกันเพราะเหตุไเพราะว่าเราอยู่ในฐานะพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแต่เมื่อได้ยินอย่างนั้นเข้ามาแล้วเราเราก็มีแต่ว่าเออพระสงฆ์น้องนงทั้งหลายเราเข้ามาบวชเราเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรจะอยู่ในหลักพระธรรมวินัย พระธรรมในพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรศากะยะบุตรพุทธชินโนรสนะ่ะเราควรปฏิบัติตนอย่างนั้นถ้าเมื่อเราปฏิบัติตนแล้วทุกคนก็สบายใจไปด้วยกันแต่ฆราวาสญาติโยงก็เหมือนกันควรจะมีศีลห้าถ้ามีศีลห้าแล้วก็บ้านเมืองคงจะสงบพรมเย็นเป็นสุขมากกว่านี้แต่เดี๋ยวนี้ที่คนติดคุกติดตารางที่มากๆาั้งกัคนไม่มีศีลห้าพระสงฆ์ก็เหมือนกัน ถ้าพระสงฆ์อยู่ในสีรรจรวัต เ, เป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายเขาคงจะนับถือเลื่อมใสเลยว่าสบายอกสบายใจกับการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์แต่ถึงยังไงก็ตามเราคิดว่าในพระในครั้งพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าไม่ทำความผิดจะเลยมีมากถ้าพวกเราศึกษาในพระไตรปิฎกนะสินส2งีเเนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัติ โดยที่พอไม่มีเหตุไม่มีผลมัวเมียขึ้นมาหละกบัญจัิเอาบัญญัเิเอาอย่างนั้นไม่ใช่คือพระภิกษุสงฆ์ทําผิดซะก่อนแต่ละศิกขาบทนี่นะแต่ละข้อเนี่ยเมื่อทําผิดแล้วพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งก็เห็นศรัทธา ญ, ญาติโยมเทารายกตํามณิว่าไม่ดีจากนั้นก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข้าเนี่ยซิกขาบท น, น, นี่เรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้พระพองค์จะจะทำอย่างไง พระองค์กัประชุมสงฆ์ซะก่อนนะไม่ใช่บัญญัติโดยที่ไม่มีเหตุมีผลนะท่านเรียกประชุมสงฆ์ซะก่อนเมื่อประชุมสงฆ์พร้อมกันแล้วพระพุทองค์ก็ บ, บอกว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายนี่ภิกษุองค์นะคคี้โมคะโมฆาภิกษุเนี่ยโมคะปุรุณนี่ทำความชั่วเสียหายอย่างนี้อ่ปรับอาบัตอ่ตั้งแต่บัตินี้เป็นต้นไปภิกษุใดก็ตามถ้าทําผิดอย่าง ทำผิดวินัยอย่างองค์นี้ปรับอาบัติอย่างนี้แต่องค์ที่ผิดองค์ที่เป็นต้นบัญญัตินะีไม่ผิดนะถึงท่านจะผิดก็ตามแต่แต่ไม่เป็นอาบัตเพราะเหตุไรเพราะเป็นต้นเพราะเป็นต้นบัญญัติเพราะยังไม่รู้ว่ามันผิดและมันถูกแต่ท่านทําผิดนะเมื่อทําผิดพระสงฆ์ฟ้องพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ บ, บัญญัติแต่องค์ไหนก็ตามถ้าทําต่อไปแลไปลว่าผิดนะเป็นอาบัตขึ้นมาละ่ะ แต่องค์แรกนะเป็นต้นบัญญัติไม่เป็นอาบัตอันนี้แหะอันนี้คือจากนั้นก็ บ, บญญรินัยขึ้นเรื่อยๆศินสองี่สิบถ้าเราศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วศินของพระมันเป็น ร, ร้อยร้อยพันพันนะใครข้าแต่ละทิกาบทที่พระพุทธเจ้าพิกจูไว้หนวดยาวไว้ขนจมูกยาวไว้เล็บยาวไว้ผมยาวไม่ชำระร่างกายปรับอบัติทุกกฎอย่างนี้ไม่มีในพระปฏิโมก ศีลอันนี้คือศีลอภิสมาจารย์แต่ถึงยังไงพวกเราก็ต้องรักษาจะต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วอันนี้แหละคือศีลและวิไนศีลและวินยันนยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตยังอยู่ตราบนั้นศีลและ เ, เมื่อเราตรถาคตผ่านไปแล้วปรินิพานไปแล้วธรรมและวิไนนั่นแหละจะเป็นศาสดาเป็นครูบาอาจารย์ของพวกท่านทั้งหลายนี่แหละ อันนี้ก็คือพระพระุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ท่านวางเอาไว้เพราะฉะนั้นพวกเราในฐานะพระลูกหลานทั้งหลายบวชเข้ามาในพุทธศาสนาควรสํารวมสํารวมในศีลสํารวมในวินัยแต่หลวงพ่ออยากจะยก เ, เป็นเรื่องเรื่องให้ฟังนะมาในพระไตรปิฎกมาในธรรมปฏทักถะฐาพระสงฆ์ตกนร ก, กเป็นไหมพวกสัตวายญาติโยมก็คงอยากจะถามพระสงฆ์บางองค์บางรูปน้องนงทั้งหลายก็คงอยากจะรู้นะ ถ้าใครได้รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะแต่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้กแหนกันแหนไม่ได้พูดให้องค์ใดใครองคหนึ่งสอนทั้งหลวงพ่ออินด้วยนะเะพราะว่าหลวงพ่ออินทำชั่วหลวงพ่ออินก็ตกนรกไปได้เหมือนกันไม่ว่าใครผู้ดใดใครผู้หนึ่งทั้งนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้ น, น, นพวกเราเป็นพุท ธ, ธบริษัทสี่ก็ควรจะรับรู้รับทราบด้วยกันว่าการทําความชั่วของพระสงฆ์ในครั้งพุทธกาลมีไหมมีน ะ, ะมีแล้วก็ตกนรก อย่างถ้าตรงพ่อจะยกเป็นเรื่องพักกัปรีกัปรละพิกขูในครั้งพุทธกาลกัปรละพิกขุองค์นี้ท่านเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสจปะคือพระพุทธเจ้าของเรา เ, น, เนี่ยเป็นตระกูลเป็นตระกูลพุทธนะในพุทธกับนี้มีพระพุทธเจ้าอยู่5พระองค์กัคุสันโธองค์หนึ่งองค์ที่แรกโกนะขมโนองค์ที่สองกัจจโปองค์ที่สโคตโมองค์ที่ส อริยะเมตตโยนปองค์ที่ห้าเนีมีพระอยู่พระพุทธเจ้าห้าพระองค์คือพระอริยะเมตตโย ων, พระอริยะเมตตโย ων, พระสีอา น, นีย่ยังไม่มาตรัดน ะ, ะมาตัดแต่พระโคตโมองค์จุดท้า ย, ยคือพระสีอริยะเมตไตรจะมาตัดอีกต่อไปภายภาคหน้านะแต่ใ น, นท่านมาพูดถึงพร ะ, ะกระจัจจปูดองค์ที่สามอายุยืนถึงสองหมื่นปี อายุไม่เยือนนะคนสมนะัยนั้นแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่อายุ80ดสิปีเป็นอายุไขนะ่ร้อยปีเป็นอายุไขแตพ่พระพุทธเจ้ากัสปะนี่ยอายุสองหมื่ปีหมื่นปีเป็นอายุไขท่นี้พระพุทธเจ้า พ, พระพุทธเจ้ากัสปะท่านอุบัติขึ้นในโลกท่านก็ประกาศศาสนาคนทั้งหลายเคารพ น, นับถือเลื่อมใสบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสจปะมาก จากนั้นพระพุทธาาเจา้ากัสปะก็ปรินิพานาคือดับขันเข้าสู่มหารปารินิพานคือพระพุทธเจ้าปรินิพานจากนั้นก็นพระสงฆ์ทั้งหลายสุดท้ายปลายแดนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละคือพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วพระสงฆ์ก็สืบทอดพระพุทธศาสนาในเมื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาไม่มีต้นศาสดาคือไม่มีพระพุทธาาเจา้าต่างคนก็ต่างว่าความคิดใครถูกความคิดใครดีแย่งแก่งแย่งกัน ใครๆอยากจะเป็นผู้นำใครๆอยากจะเป็นฮีโร่อยากจะเป็นผู้นำ ค, คะนะนนำณะสงฆ์ลักษณะอย่างนั้นแหละไม่ไม่แพ้ในยุคนี้สมัยนั้นสมัยนั้นสมัยนี้ไม่เหมือนกันตอนนี้ในสมัยครั้งพระพุทธเจ้ากัดส ป, ป่าเหมือนกันตอนีพ้พระสงฆ์ทั้งหลายเมื่อบวช เ, เมื่อเสร็จแล้วเนี่ย พระมหากบินทนี่มหากบินเถระเนี่ยท่านเ็เป็นลูกที่คนที่มีอัญะกินท่านก็มาบวชสองพี่น้องออผู้พี่มาบวช ด, ด้วยกันกับน้องออผู้พี่ท่านก็บอกว่ามผมบวชเมื่อพายแก่ผมบวชแล้วผมจะเข้าปฏิบัติ เ, เป็นพระป่าพระกรรมฐานเรื่องไปเรียนจิตภาวนาในป่าแต่น้องชายเนี่ยเป็นอายุอย่างน้อยอยู่ ผมยังไม่เข้าป่าหรอกพี่ผมจะไปเรียนปรยนิยัตไปเรียนปรยนิยัตคือเรียนนักธรรมตรีโทเอกอย่างทุกวันนี้แหละ เ, เรียนมาหาป ร, ริยัตอย่างทุกวันนี้แหละท่นี้น้องชายก็ไปเรียนพี่ชายก็เข้าไปป่าปฏิบัติท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันนะพี่ชายได้สาเร็จเป็นพระอรหันแต่น้องชายนี่นมาเรียนปริยัตที่นั้นก็ท่านก็นำปรยิยัตมาสอน สอนคู่คนทั้งหลายคนทั้งหลายก็นับถือเลื่อมใสเพราะท่านพดูดดีเอ่ยวารธาดีพดูดดีเอ่่คนทั้งหลายก็นับถือเลื่อมใสยอย่างมากนับถือพระกัปปิละพิคุปนะแต่ทีนี้ต่อมาลืมตัวเนี่ยนะอั น, นการลืมตัวของพระเนี่ยนะทำให้ตกนรกนะพระโลกพระหลานฝังเอาไว้พระอนี้ก็ลืมตัวพระกัปิละเนี่ยพอลืมตัวเข้ามาแล้วก็เอ้ย ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยไม่ต้องลงอะไรลงอุโบสถมันพูดแต่เรื่องเกา่าเรื่องศีลเราก็รู้อยู่แล้วเรื่องศีลเราจะไปโพดอะไร ส, สนใจทําไมไม่ลงอุโบสถจากนั้นก็ไม่เคารพในในวิถีในในศีลทีนี้เขาก็บอกไปบอกพี่ชายท่านอยู่ในป่ายพี่ชายใหญ่เอ้ยคงไหนพูดก็พูดไม่ได้หรอกกบิลละเนี่ยเพราะเขามีชื่อเสียงโด่งดัง คงไม่ฟังใครหรอกไปไปบอกพี่ชายมาบอกเตือนด้วยมันทำไม่ถูกได้ทำให้าศาสนาพระพุทธเจ้าเสื่อมได้หมดไปเร็วๆนะ่ะเพราะทำความชั่วไม่ลงอุโบโสถอีกต่างหากวิัยตัวไหนก็ไม่รักษาอีกต่างหากเป็นพระอารักษชีไม่มีฮิลิโอตปะแล้วพระกับวิละพิกุเนี่ยมีแต่แนะนำสั่งสอนมีแต่หายอติเลกลาลบแต่นี้ ข, ข, ขาพระสงฆ์ทั้งหลายไปกาเปลี่ยนพี่ชาย พี่ชายก็มามาตื่นน้องชายนะโอ้ยกับปิละเธอทำอย่างนี้ไม่ได้เนีย ต, ตกนรกนะั้นน้องนะเปลี่ยนกับใจใหม่ซะเออให้เป็นผู้อยู่ในศีลซะอยอยู่ในศีลในวิ น, นัยซะอันนี้มันผิดวินัยเขาเนี่ยมันไม่ถูกนะน้องเออทางน้องชายเนี่ก็ลืมตัวอีกอย่างเก่านะ่อยเอ้ยพี่ชายจะไปรู้อะไรหลับหูหลับตาอยู่ในป่า น, นั่นะเออเขาโลกเขาไปถึงไหนแล้ว แต่ตัวเองยังหลับหูหลับตาจะมาสอนมันเรื่องของโลกมันเป็นเขาไปเจริญไปที่ไหนแล้วพี่เป็นหลับหูหลับตาอยู่ในป่าอย่ามายุง่งทางพี่ชายก็เออเอาเอานีนเมื่อไม่มายุง่งเอานารกไม่เต็มง่ายหรอกเอาเถอะนะทําความชั่วก็ทําไปเถอะนะนรกไม่เต็มเลยพี่ชายก็บอกว่าเออเอาเอาข้าจะไม่มาสอนอีกแล้วนะตอนนี้พี่ชายก็เลยหนีแหนบเข้าไปในป่าเลย ไปปรินิพานในป่านับไม่มาเกี่ยวข้องกับน้องชายอีกเลยส่วนน้องชายนี่ก็แม่กับน้องสาวเนี่ยแม่กับน้องสาวนี่ก็เห็นว่าลูกตนเองมีชื่อมีเสียงโด่งดังจัตวาญาติโยมรู้จักมักคุนก็นับถือเลื่อมใสตัวเองแม่ก็ออกมาบวชน้องเช้าก็ออกมาบวชมาอยู่กับน้องชายคนนี้กับพี่ชายน้องสาวก็มาอยู่กับพี่ชายคนนี้แปลว่า พระเถระผู้ใหญ่ที่เป็นพี่ชายใหญ่ที่ไปภาวนาเป็นพระหรหันนั่นนะแปลว่าท่านก็เข้าป่างปรงโพงพัยไปเลยแล้วที่นี่พอต่อมาท่นี่พระกับปิละพิกุกสอนคู่คนทั้งหลายนับสื่อเรื่อมใสยอย่างมากาแต่มันสอนทางผิดทท่นี่มันไม่มีศีลไม่มีฮิริโอตป า, นะาจากนั้นท่านก็เลยตกนรกพอตายไปแล้วนะตกอเวจีมหานารกพระตกนรกนาะนัที่นี่นะ พอพระอกในตกอเวจีมหานาลกแม่ก็ตกนาลกอีกเพราะายินดีในการาทํามาหาเลี้ยงชีพแล้วน้องสาวตกนาลกอีกตกนาลกทั้งสามทั้งแม่ทั้งน้องสาวทั้งกัปปิละพิกุกแต่ส่วนพี่ชายปรินิพานเข้าสู่ปรินิพานเพราะได้สำเร็จเป็นพระหรันาจากนั้นก็ ตอนนี้บอกมาถึงศาถนาของพระพุทธเจ้าของเราทีนี้มาสู่สาถนาของพระพุทธเจ้าของเราคือพระโคตมะทีนี้มีกลุ่มมีกลุ่มพวกผานปลาคือผานปลานะี่คือเป็นตระกูลหนึ่งเหบือนกัร น, นะเป็นหาพวกหาปลาในทะเลหาปลาในแม่น้ํานะไอ น, นี้พอผานปลาทีนี้เขาลง พออายุถึงยี่สิบปีเ่พ่อแม่เขาก็เอาให้ลูกชายของเขาเนี่ยห้าร้อยคนห้าร้อยตระกูลเนี่ยห้าร้อยคนเป็นหมูเพื่อนกันลงไปหาปลาในแม่น้ำเจรรวดีนะพอตึกแขหทอดแถไปไปได้ปลาตัวหนึ่งตัววากใจท่นี่ปลาตัวนี้สีทองสวยงามมากเลยเหลืองอลามปลาทองไม่เคยเห็นมาก่อนปลาสีทองจากนั้น พวกพ่อของเขาโอ้ปลายังไม่เคยเห็นพวกเราหาปลามานานเท่านา น, น, านไม่เคยเห็นปลาทองอย่างนี้ปลาตัว น, นี้ต้องมีประโยชน์ต้องเป็นปลาพิเศษนะเราควรจะพวกเราลงไปจับปลาครั้งแรกลูกของเราเอาคงจะนั่นอะ่ะคงคงจะเป็นนิมิตหมายที่ดีพวกเราได้ปลาทองเราควรจะนําปลาทองนี้ไปถวายพระเจ้าปเสนเอา่จาจะนี้ก็นําปลา เอาใส่เรือไปแล้วก็เอาน้ําแช่ไปเพื่อไม่ให้มันตายนะแล้วก็แช่ไปปลาตัวนี้ก็ปลาทองสวยไปมอบให้พระเจ้าประเสริฐพระเจ้าประเสริฐมองเห็นปลาโอ้ปลาตัวนี้ทําไมสวยนะักไม่เคยเห็นปลาทองเอตัวงามถึงขนาดนี้ตัวสวยขนาดนี้เอปลาตัวนี้มันเป็นอะไรควรจะนําไปกราบทูลพระพุทธไชเจ้านี่นยายพญาประเสริฐก็เลย น, นาประมงหนุ่มทั้งหลายนะ่ะทั้งห้าร้อยคนนะ่ะ เออเอาเอาเรือมาถวายพระเจ้าประสิพระเจ้ประสิิ์นำถวายมามาที่วัดป่าเชตะวันมหาวิหารพอได้ก็มาพระ อ, องค์บอกเอพอพระองค์ก็รับทราบแล้วก็พระ อ, องค์ก็ออกมามาดูเพราะว่าเห็นอุปนิสัยพวกเขาเหล่านั้นจะได้สำเร็จ อ, อย่างน้อยาเป็นถึงพระไตรสนนคมรู้จักบาปปุลคุณโทษละ อยากมากกว่านั้นจะได้สําเร็จพระโสดาเป็นพระอริยะบุคคลหลายระดับนะพระองค์ก็ออกจะออกมาโปรดแต่ในท่านกับพระอนุกฤออกมาท่านก็ถามว่าอะไรมหาประเทิทโอ้ข้าพระองค์เห็นพวกประมงหนุ่มทั้งหลายเขาไปตกปลาเป็นวันแรกเขาได้ปลาทองพระเจ้าข่าและเขาก็นําไปถวายข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันปลาทองเนี่ยจะได้นํามากราบถวายพระพุทธองค์ว่า ปลาตัวนี้ทําไมมันมั น, ม, นมันแปลกมันเป็นปลาทองพระองค์บอกว่าอืปลาตัวนี้นะตะกอนเขาเป็นกัปปิละพิกขุนะมามาเกิดนี่ น, นี่ยวิญญาณกัปปิละพิกุแต่กัปปิละพิกขุองค์นี้นะในศาสนาของพระพุทธเจ้ า, ยยากัจจปา่าเขาทําความช่วยเสียหายในหลักพระธรรมวินยัยจากนั้นเขาไปตกนรกแล้วก็เขาพ้นจากนรกเขามาเกิดเป็นปลานี่แหละ เดี๋ยวเราจะถามให้ดูนะพระพุทธเจ้าถามปลานะปลากะพิลภิคุเธอก่อนเป็นภิสูจน์ในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้ากัดสปะใช่ไม้ใช่พระเจ้าคนะ่าพอปลาอ้าปากท น, นเหม็นค้งไปพกนั่นเลยเหม็นอย่างมากๆเลยเนีนก็เธอทำไมจึงได้ เป็นสีทองเพราะข้าพระองค์ได้บรรยายพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณได้บรรยายคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ข้าพรเจ้าจึงมีสีทองเอาทําไมปากตะแก่จึงเหม็นเพราะข้าพระองค์ในศาสนา เ, เมื่อข้าพระองค์บวชในคราวนั้นข้าพระองค์ลืมตัวด่ากาดไปหมดเลยผู้ที่มีอายุพรรษาเหนือกว่าแลว้วเป็นผู้มี บุญบรมีที่เป็นพระอระหันต์ข้าพระองค์ไม่สำรวมปากเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ใช้ปากไปในทางที่ไม่ถูกต้องข้าพระเจ้าจึงปากเหม็นพระเจ้าขาดใครเรียกว่าสีทองใครเป็นบัลลัยพระพุทธเจ้าปากเหม็นใครเว่าด่าพระด่าใครตัวด่าใครไม่สำรวมปากนะแต่นี้แม่ของตาแก่ไปไหนแม่ของข้าพระองค์ไปตกนรกยังอยู่ในนรกพระเจ้าขาด น้องสาวล่ะน้องสาวก็อยู่ในนรกพระเจ้าข่าและพี่ชายล่ะพี่ชายเข้าสู่นิพพานไปแล้วพระเจ้าข่าแล้วเธอล่ะข้าพระองค์ออกจากนี้แล้วข้าพระองค์คงจะตกไปลกตกนรกอีกเพราะยังไม่หมดกรรมพระเจ้าข่าข้าพระองค์ขอลาพระพุทธองค์พร้อมกับทุกคนไปไปนะักข่าวนี้พระเจ้าข่าพอ่าว่าเท่านั้นหละ ปลาทองตัวนั้นก็เลยเอาหัวฟัดใส่แคมเรือแแคบเรือสามครั้งปังปังปังปลาตัวนั้นก็เลยตายตายวิญญาณของปลาตัวนั้นก็ไปสู่นรกอีกนี่แหละชาดกและนิทานเรื่องนี้เป็นเครื่องเป็นกระจกเงาสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายไม่ว่าพระไม่ว่าครวาตไม่ว่าใครทั้งหมด ถ้าทำกรรมชั่วและกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นและจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นให้พวกเราทุกทุกท่านศรัทธาญาติโยมทุกคนนันลกสวรรค์มีจริงบาปบุญคุณโทษมีจริงสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีในเมื่อทำเมื่อคิดทำพูดออกไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นและจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง เพราะนั้นพวกเราได้เกิดมาในพบพ บ, พบพระศาสนาอย่างพบธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราควรจะประกอบแต่คุณงามความดีสิ่งที่ทไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในเรื่องนั้ น, น, นเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาษิตเบื้องต้นว่าปฏิโรปประเทศสวาโซจ่าพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเป็นปฏิรูปประเทศ มีพระพุทธศาสนามีพระมหากษัตริย์มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปูเสาหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนพวกเราให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปุลคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ปฏิรูประเทสาวาโซจากปุเพจั ก, กตะปุญจตาพวกเราคงจะได้ทําความดีไว้ในอดีตตะการจะได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยแห่งนี้อัตตสัมมาปณิธิ เมื่อเรามาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยแล้วควรจะตั้งตนไว้ชอบนะอย่าไปให้เป็นอย่างกะปิละพิกุตั้งตนไว้ผิดนะไปตกนรกได้ไง่ายๆถ้าพวกเราตั้งตนไว้ชอบเป็นคนดีมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีนี่ว่าอัตตสมาปนิธิและก็เป็นมงคลอันสูงสุดนะและ้วกงพ่อได้ย้ำอีกว่าขยะวยธรรมมาสังขาราอัปมาเดนะสัมปาเดทติ สังขารทั้งหลายพวกเรานั่งอยู่ในร่างกายสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเกิดแก่และวก็เจ็บแล้วก็ตายในที่สุดออแล้วก็พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีขยะวยะธรรมมาสังขาราอั ป, ปมาเดนะซัมปาเดธาติสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงขอท่านทั้งหลา ย, ย, งงลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมในความไม่ประมาทอันนี้ใคืเคเราเกิดมาในภพพุทธศาสนาแล้ว เรามาอยู่ในสถานะอย่างนี้แล้วประโยชน์ตนก็ยังให้ขาดถูกปกป้องให้บำเพ็ญทานศีลภาวนาปฏิบัติส่วนประโยชน์ส่วนอื่นที่เราจะช่วยเหลือชุมชนสังคมเราก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่าได้ตั้งอยู่ในความประมาทนี่แหละเมื่อเราทำคุณงามความดีอย่างนี้แล้วนั่นลหละความรล่มเย็นเป็นสุขความสุขกายสุขใจก็จะเกิดขึ้นในพวกเราเพราะหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าตายแล้วไม่สูญนะ สัทายาติโยมถ้ากับเพราพิสูจน์ถ้าตายแล้วสูญท่านคงจะไม่มีนิทานไม่มีเรื่องราวให้พวกเราได้ฟังได้เรียนรู้ในเรื่องทําการกระทําความช่วยเสียหายในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัดส ป, ปะแต่นี้ตายแล้วไม่สูญท่านจะมาเกิดอีกมาเกิดเป็นปลามาใช้กรรมอีกเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะพวกเราเป็นไปได้ทั้งหมดเกิดมาพบนิชานนี้เป็นพระจริง แต่เกิดเป็นเกิดมาพบหน้าชาดหนะ้าอาจจะเป็นหมูหมากาไกา่เป็นสัตว์ทีาา่ไร้าดนานาชนิดได้ทั้งนั้นพอเราตายแล้วไม่ทวักกรรมชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลอาจจะเกิดเป็นหมูหมากาไกา่เป็นสัตว์ที่ไร้ชาดแต่ถ้าเราทํากรรมดีกรรมดีส่งผลเพราะเราอาจจะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่สูงส่งขึ้นไปเป็นลูกเศรษฐีผู้ที่มีเงิน จากนั้นก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆเป็นภูมิมรุกขเทวดาเป็นพระอินทพระพรมถ้าเราบำเพ็ญคุณงามความดีอาจจะเป็นพระโสดาพระสกทาคาอณาคาอราหันต์เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยได้พบ พ, พทุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราท่านทั้งหลายย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้ นั่นแหะคุณงามความดีนั่นแหละจะเป็นเครื่องเกือ้อกูลหนุนพวกเราพวกเราไปอยู่หน้าสถานที่ใดถ้ามีคุณงามความดีประจำกายวาจาใจแล้วพวกเราจะร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันการกล่าวสมโภชนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพระสีรัตนนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพพ่อแม่ครูบาอาจารย์อรุณะอนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายอนุภาพหลวงพ่อคำสดบุญบารมีของหลวงพ่อคำสดที่ท่านได้บำเพ็ญมาถึง40กว่าพรนาด้วยบุญของท่านขอให้มาคุ้มครองคณา ธ, ธาญาตโยมทั้งหลายทุกหมู่ทุกเหล่าจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกทุกท่านด้วยเทอิ